ขอความสุขความเจริญสุเมธท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมกำมังนำเสนอพระสูตรในสังยุตตินิ迦เยตอนที่ทว่าโดยมัชริยสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยความตรณีแต่ว่าเทวดาท่านเน้นถึงปัญหาอุปสรรคที่ทำให้คนให้ทานไม่ได้ แต่กรอบกอบขายของความเสน่หนั้นส่งจำแนกแสดงไว้เป็นห้าอย่างคือเสน่ผลประโยชน์ต่างๆแล้วก็สน่หที่อยู่อาศัยแล้วก็สน่หวนะผูพกพ้องทั้งหลายสกุลเชื้อสายต่างๆแล้วก็สน่หธรรมะ แล้วก็ตะหนีสกุลนะฮะตนี่สกุลคือไม่ต้องการให้สกุลของตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นถือว่าสกุลตัวเองเป็นสกุลสูงสกุลคนอื่นเป็นสกุตลต่ำก็ไม่ยอมให้ไปเกี่ยวข้องกับสกุลอื่นจนถึงธรรมมัจฉิยะแปลว่าเสนีธรรมก็หมายรวมถึงการเสนีวิชาความรู้วิทยาการต่างๆ ที่เรารู้แล้วก็ไม่ยอมบอกกล่าวแก่คนอื่นกลัวคนอื่นจะรับประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นมันก็เหมือนกับสูตรลับพิเศษบางอย่างในปัจจุบันเราก็ยังมีหวงสูตรเหล่านี้กันอยู่กลัวคนอื่นจะรู้กลัวจะคนอื่นจะผิดจะมายื้อแย่งผลประโยชน์ที่ตัวเองกำลังได้อยู่ก็เป็นอาการของโลภะโทสะ หรือการสนีเนี่ยบางครั้งมันเกิดจากเราไม่ชอบคนที่เราจะให้บางครั้งมันเกิดจากโลภะคือหวงในสิ่งที่เราจะให้ก็เกิดได้ทั้งสองอย่างเทวดาที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มากันชุดนั้นก็คือชุดเจ็ดร้อยองค์ที่เราเคยพบมาสองสูตรแล้ว คือในเรื่องของสาธุสูตรก็เป็นการพูดเรื่องฐานแล้วก็วันก่อนก็พูดเรื่องสัตบุรุษแล้วก็วันนี้ก็พูดเรื่องความส น, น่ห์แต่ดาองค์แรกกลับทูลว่าเพราะความส น, น่และเพราะความประมาทอย่างนี้บุคคลจึงให้ฐานไม่ได้ บุคคลผู้หวังบุญรู้แจ้งอยู่พึงให้ฐานได้นี้ก็เป็นเงื่อนไขคือเป็นปัญหาประสักสองอย่างอย่างแรกก็คือพระชนีอย่างที่สองก็คือพระประมาทคือแม้อย่างเดียวก็ให้ไม่ได้แล้วนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วในการที่คนตรนีก็แสดงเขาประมาทการที่คนประมาทก็ทําให้เขาสนี ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันอะกันเทวดาตนที่สองได้กล่าวทูลว่าคนตนีย์กลัวภยัยใดย่อมให้ทานไม่ได้ภัยนั้นนั่นแหลย่อมมีแก่คนสนียผู้ไม่ให้ทานแต่ยกตัวอย่างว่ากลัวเองจะกลัวตัวเองจะสิ้นเปลืองทรัพย์สินเงินทองลงไปแล้วก็จะยากจนเลยก็ไม่ยอมไม่ให้ทาน แต่ในขณะเดียวกันผลของทานเนี่ยทำให้คนเกิดมาในสกุลที่บางครั้งร่ำรวยแล้วก็ทำหมากินก็คร่องมีความเจริญข้าวหน้าในอาชีพการงานต่างๆแต่พราะคนไม่ให้ทานมาก่อนเนี่ยบุญเก่าในเรื่องทานมันไม่อุปธรรมเพราะนั้นโอกาสที่เขาจะร่ำรวยในยากแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คื อ, อยากจนนะฮะ หรือการไม่ให้ทานเนี่ยก็ทำให้เกิดมาในฐานะที่ยากจนอย่างที่เคยเล่าเรื่องอนันตเศษเรษฐีบ้างพอแกไม่เคยให้ทานแกตนนีแล้วก็เกิดไปในตระกูลของพวกจันทานสร้างปัญหาตอนที่อยู่ในคันแม่ก็ลำบากมากเพราะว่าขอทานไม่ได้ แล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อคลอดลูกออกมาแล้ววันไหนพาลูกไปด้วยแม่ก็ขอทานไม่ได้ถา้าเอาลูกไว้ที่บ้านก็พอขอทานได้ปอ เ, เลี้ยงดูกันได้จนถึงจุดเด็กแม่ก็ต้องปล่อยเพราะทนทุกข์ทรมานเพราะลูกคนนี้ม า, มากๆเลยกและแกก็ขอทานเองก็ตุราตุเรไปเรื่อยๆ จนไปถึงบ้าน น, นันไปไปถึงบ้านเดิมนะฮะถึงบ้านเดิมแล้วผู้เจ้าก็เสด็จไปโปรดทำให้เขาลึกชาติได้แล้วเขาก็เล่าคือไม่ใช่เล่าหรอกฮะไปชี้บอกที่ฝังทราบให้ประเด็นต่อไปท่านบอกว่าคนตนีย่อมกลัวความหิวและความกระหายใด้ ความหิวและความกระหายนานย่อมถูกต้องคนผู้สนิทนั้นนั่นแหลผู้เป็นพานทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าคือการที่ทํามาหากินได้คล่องของคนเนี่ยหรือว่าเกิดมาในสกุลบางข้างของคนบางส่วนหนึ่งก็อาศัยอดิตกรรมที่ทาหน้าที่เป็นชนกกรรมคือ น, นำมาเกิดในกกตระกูลในกาเนิดที่มีฐานะบางคั่งร่ารวยมันก็มีต้นทุนสูง ใช้เงินทองของพ่อแม่ไปในด้านการศึกษาพัฒนาตัวเองหรือว่าแม้แตล่ลงทุนในกิจกรรมต่างๆมันก็ก้าวหน้าได้เร็วเราก็อาศัยความหมั่นขยันอย่างฉลาดในปัจจุบันด้วยแล้วอาศัยบุญกุศลใน่ดีตด้วยสองอย่างก็มาสนับสนุนกันแล้วก็เนื่องจากในสังสารวัตเราไม่ได้เกิดมาชาติเดียว นะเพราะฉะนั้นบุญในชาติต่างๆมันก็ตามมาท่านเรียกว่าปุญญาพิสันธาหรือเป็นการหลั่งไหลามาของบุญจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นหมดเลยคนบางคนเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าเพราะเจนีไม่เคยให้คนอื่นมาก่อนมันจะเจอกับความหิวกระหายเสียแทงเพราะว่าตัวเองไม่เคยบรรเทาความหิวกระหายให้ใครๆไอ้บุญที่จะมาช่วยเหลือ ให้ตนรอดพ้นจากความหิวกระหายมันก็ไม่มีอาจารย์ที่เคยเล่าลุกศิทธิ์ประสาริบุตรขนาดว่าเป็นพระอระหันต์ตั้งแต่เกิดจนก่อนจะนิพพานเนี่ยท่านไม่เคยฉันอาหารอิมท้องจนประสาริบุตรต้องไปบินธ บ, บาตมาแล้วก็จับบาตรเอาไว้แล้วก็ให้ท่านฉันตอนแรกท่านก็ไม่กล้า แต่ภาษาริบุตรบอกว่าให้ฉันเพราะว่าถ้าท่านปล่อยบาตรเนี่ยข้าวมันจะอันตรธานไปเลยนี่บาปมากคือท่านทําอะไรมาเยอะบารมีนิธรรมเยอะแต่ไม่เคยสงเคราะห์ใครให้ทานโดยการบูชาก็ไม่มีให้ทานโดยการสงเคราะห์ก็ไม่มีให้ทานโดยการอนุเคราะห์ก็ไม่มี เ, เป็นคนที่จิตใจแับแคบเป็นสังสารวัตรองก็ไวยผลให้อย่างนั้น เปนนโทษเราเนี้ยมันเป็นโทษในวัตตะการให้ผลเราจะลืมว่ากิเลสประเภทนี้มันมันถ้าเรามองดูให้ดีแล้วเนี่ยมันมีโทสะมันมีโลภมันมีโมหะและบางครั้งก็อาจจะริษยาอาจจะแข่งดีอาจจะเกลียดรังเกียดโอกระสารพัดอย่างหรือเป็นเหตุให้คนให้ไม่ได้เนี่ยคนบาปส่วนหนึ่งเมื่อจะยกยอด ยงยอดไปให้ผลในชาติต่ อ, ตอไปในชาติต่อไปตลอดถึงชาติต่ อ, ตอไปเพราะโทษของความสนิ่บางชีก็ติดตามแบบเงาที่ติดตามคนไปท่านจึงบอกว่าไทยทั้งในชาตินี้แล้วก็ในชาติต่อไปท่านก็เสนอนะว่าบุคคลควรกาจัดความสนิอันเป็นสนิมใจให้ทานเถอะ ประบุญทั้งหลายเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้านี่เป็นการกราบทูลต่อพระพุทธเจ้าจากประสบการณ์ตรงของเทวดาที่ได้พบเห็นเทพบุตรเทพธิดาที่ได้ให้ทานมาในพบชาติก่อนแล้วก็สวยสุขอยู่ในสวรรค์วิมานต่างๆเป็นการกราบทูลในเชิงค่อนข้างเล่านะให้เราสังเกตว่าค่อนไปทางเล่าให้ฟัง จากประสบการณ์ตรงของท่านผลท่านก็ย้าเตือนบอกว่าบุคคลควรกำจัดความสนีอันเป็นสนิมใจมันเป็นสนิมใจเขาใช้งานไม่ได้อะใจที่สนิทนี่ใช้งานไม่ได้เราจะเห็นว่ามันมีความยินดียินร้ายอยู่ตลอดครอบงำใจอยู่ตลอดแล้วบางครั้งบางคราวเราเห็นคนอื่นเขาทำดีเนี่ยมันเกิดริษยา ติทยาคนที่รับผลจากการกระทําดีของคนอื่นอย่างที่เคยเล่าเรื่องพระเจ้าประสิทนิโกศลกับพระนางมาริกาได้ให้อัฐสิทธาานคือทานที่ใครไม่สามารถจะให้ได้เพราะต้องมีมนพระอรหันต์ล้วนแล้วก็ห้าร้อยรูป โดยมีช้างกั้นฉัดห้าร้อยฉัดแล้วก็ห้าร้อเชือกนะฮะคนท่าไม่ใช่พระราชาก็ทําไม่ได้ราชาสมัยโบราณก็ช้างเรื่องห้าร้อยนี่ไม่เรื่องเล็กนะฮะเพราะว่าเปนถือว่ายุทธปัจจัยอย่างหนึ่งโดยใช้ในการทําสงครามคนชาวบ้านเนี่ยจึงจึงไม่สามารถทำได้แล้วก็ท่านบอกว่ามันต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นจึงจะให้ได้ ผู้ชายทําให้ได้เสียด้วยมันกลายเป็นอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์ของสุภาพสตรีที่มีบารมีแต่สามารถทําเรื่องนี้ได้เพตอนผู้ที่เป็นหลักในการให้ทานคราวนั้นน่ะที่จริงมันแข่งขันกับชาวบ้านนะฮะแต่พอถึงจุดหนึ่งพระนางมาริกาท่านก็คิดขึ้นมาโดยพิธีพิเศษคื อ, อช้างมากั้นฉัด เราจดอนจัดก็ไม่มีช้างก็ไม่มีอย่าง ม, ม, ม, มีก็ไม่กี่เชือกหรอกแต่กองทานมีตั้งเป็นเป็นรนะ้อยๆพันๆนะช้างในกองทัพช้างกองทัพก็เรียกว่าจดตรุรงคินเนเสนาผลช้างผลมา้าผลรถผลราบมีสี่ประเภทสมัยโบราณเนะี่ยสมัยพระพุทธเจ้านะก็แสดงก้าวหน้าไม่ใช่เบา แล้วเทวดาท่านก็ประกันให้ว่าบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าพอท่านพูดโลกนี้ไปแล้วคือหมายความว่าพูดในกณีบาปให้ผลเนี่ยทั้งโลกนี้โลกหน้าเพบูญให้ผลก็ให้ทั้งโลกนี้โลกหน้าแต่เนื่องจากโลกนี้มันสั้นน่ะบางครั้งมันไม่ทันให้ผลในรูปที่เป็นอานิสง์ มันในแง่จิตใจนี่ยได้ในแง่สังคมนี่ได้ในแง่ของสัตว์บุรุษยกจ้องสรรเสริญก็ได้หรือว่าแง่ที่จิตใจผ่องใสก่อนตายนี่ก็ได้แต่ว่าใจะมีฐานะามัง่งคั่งร่ำรวยนี่มันตายแต่ก่อนแล้วก็ต้องไปเกิดในตระกูลที่มีฐานะมัง่งคั่งร่ำรวย ทีนี้บางทีบุญมันสูง ก, กว่านั้นมันก็นำไปสู่สวรรค์จึงก็ไม่ได้หมายความว่าชัติใดชั้นหนึ่งเราลองสังเกตว่าพระเวสสันดรที่ให้ทานอย่างพิเศษเนี่ยมันก็ส่งผลให้พระพุทธเจ้านี่สมบูรณ์ด้วยลาบสักการต่างๆเสด็จไปไหนพระตามเป็นร้อยๆพันๆเสด็จกรุงกบิลพัทครั้งแรกที่ ทรงสดแสดงพระเวสสันดรสาดคัตกะถาบอกว่ามีพระตามทั้งสอง0มืแต่ก็ด้วยพุทธบา ร, รมีนี่สามารถเลี้ยงดูพระได้นะฮะเรานึกดูว่าภาพของพระสอง0มื่นเข้าไปในเมืองเมืองหนึ่งเนี่ยแล้วชาวเมืองสามารถรับได้กเลี้ยงดูอาหารได้ ถ้าในปัจจุบันนี่ไม่แต่จ่ายนะแล้วว่าสองหมื่นก็ไม่ได้เอาเงินที่ไหนมาจ่ายเงิน น, ะนี่ก็คือคือพุทธานุภาพแล้วก็แน่นอนเป็นสังการนุภาพไปเลยเทวดาประการที่ท่านที่สามองค์ที่สามจริงจะเรียกว่าตนที่สามตนที่สามก็ได้เสนอวิธีการในการให้ทานเพราะว่า ตามปกติการให้ทานของคนนี่จะคิดหยุมหยิมนะคิดนั้นคิดนี้ไม่มีเวลาบ้างไม่มีสตางค์บ้างเราทานหน้ายากจนบ้างอะไรอะไรก็มีเรื่องจะต้องใช้จ่ายเป็นต้นบ้างก็ว่ากันไปเรื่อๆซึ่งทั้งหมดมันไม่ใช่ประเด็นตอนนี้เราพูดเฉพาะวัตถุทานนะเพราะว่าเทวดาท่านเน้นที่วัตถุทานเทวดาท่านก็เสนอว่า ชนทั้งหลายเหล่าใดเมื่อของมีน้อยก็แบ่งให้เหมือนพวกเดินทางไกลก็แบ่งของให้แก่พวกที่เดินทางร่วมกันก็เรียกว่าแบ่งกันกินในเส้นทางนะนี้การเดินทางไกลเนี่ยมันก็เหมือนกับสังสารวัตเนี่ยสังสารวัตมันไกลกว่าเพราะบนเส้นทางของสังสารวัตรอันยาวนานเนี่ย เราทำบุญเรากุฏิกุศลให้ก่คนดีแต่ว่าในชาติปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามีวัตถุสิ่งของพออนุเคราะห์ก็ได้พอสงเคราะห์ก็ได้เราก็สงเคราะห์ก็อนุเคราะห์พอจะบูชาได้ก็บูชานั้นก็เหมือนปัญหาที่เกิดขึ้นทางภาคใต้เนี่ยนะเมื่อต้นเดือนมกราคม ที่10นะฮะเรามีเป็นกระบวนธรรมญาติราลงไปเยี่ยมประชาชนทางภาคใต้สามจังหวัดก็โดยการร่วมแรงร่วมใจขององค์กรต่างๆซึ่งก็ศูนย์ส่งเสริมพุทธศาสนาก็เข้าไปมีบทบาทร่วมเขาด้วยเดี๋ยวลงชื่อไปแล้วเขา ก, ก็อันนี้หมมานะฮะเราก็ต้องไป มันก็อาจจะไม่ค่อยพร้อมอะไรเท่าไหร่แต่เราก็วงยาการเดือดแดงนะเพรานะว่าถ้าเราจะไปรบกวนเจ้าชินเนี่ยมันคงไม่ดีเพรทุกอย่างในด้านปัจจัยสีเนี่ ย, ยกเกี่ยวกับที่พักนะฮะที่พักคอกน้ำม่องท่าที่อาบราอาบท่าเนี่ยอาจจะต้องอาศัยพื้นที่แต่เรื่องอาหารเนี่ยมันก็ไม่ควรจะอาศัยขับ เราไปต้องการจะช่วยเขาคือไม่ไปสร้างภาระพระคนเป็นร้อยๆเนี่ยมันไม่ใช่สนุกเหมือนกันนะคือเจ้าทิ่นเลี้ยงทีหนึ่งสมมุติเราไปห้าร้อยเนี่ยเจ้าทินก็จะลําบากแม้แต่ที่จะพักแม้แต่ห้องน้ําจะใช้แม้แต่อะไรต่ออะางๆมันมันจะตามมาเยอะแต่โลกสมัยโบราณเนี่ยมันมันไม่ค่อยยุมหยิบนะ เอามาเคยไปอยู่ที่อินเดียเราก็ไปเห็นรูปแบบที่เขาเลี้ยงพร ะ, ะเออมันก็ง่ายเดียก็พระตอนนั้นก็ไม่ก็มีบาทกันหรอกเพราะว่าเขานิ่งบนไปแล้วก็ใไบไม้ขนาดใหญ่นะแตะเคีให้องละใบเอาซ้อนกันสองใบนะซ้อนกันสองใบ แล้วก็วางไว้ข้างหน้าโยมก็เอาอาหารใส่ตามที่ตนเองมีพอเห็นว่าสมควรก็ฉันฉันหมดนะนะนหมดแล้วก็บายบายก็ทิ้งคือไม่ไม่ค่อยรุงรังไม่ค่อยยุ่งยิมไม่ค่อยยุ่งยากแต่สังคมไทยเราไม่ทําทำอย่างนั้นเนี่ยเมันก็ยุ่งยากเยอะ แต่ว่าการทำเช่นนี้ก็ต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการรับประทานอาหารว่าจริงๆมันอาหารจะยังไรก็ตามให้สะอาดไว้ก็แล้วกันก็าสามารถขจัดความผิวเก่าปัองกันความหิวใหม่ให้เร็วแรงร่างกายมีกําลังมีเร็วแรงในการบริหารภารกิจได้ก็ถือเป็นการเพียงพอแล้วเพราะการแจกแบ่งกันอย่างเนี้บางทีเราก็ไม่อิ่มหรอกเขาก็ไม่อิ่ม แต่ว่าก็ช่วยกันตามที่ช่วยได้การไม่ช่วยเหลือในขณะนี้อย่างนั้นแหละเราก็ไม่สามารถจะช่วยคนได้หมดหรอกแต่ก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้สมัยโบราณเ น, น, นี่ยท่านใช้กรรมยถาสติยถาพลังตามสถานะทำกำลังที่เราจะทําได้โดยเฉพาะในที่นี้ก็คือกำลังทัพย์ แต่ท่านก็บอกว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อบุคคลทั้งหลายเหล่าอื่นตายแล้วก็ชื่อว่าย่อมไม่ตายทมนี้เป็นของบัณฑิตแต่ปางก่อนคือหมายความว่าคนเหล่านั้นก็คือท่านท่านตั้งประเด็นไว้นะว่าเพราะประมาทกับเพราะสนีคือองค์แรกตั้งประเด็นไว้ว่าต้นเหตุหลักเนี่ยเพราะประมาทและเพราะสนี ตอนการขยายความของเทวดามาถึง3าสี่องค์เนี่ยท่านก็ขยายความจากตรงนั้นทีนี้การไม่ประมาทในบุญญากริยาทั้งหลายเนี่ยอัปมาดังประสังสันติบุญญากริยาสุปันฑิตาบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลที่ครองชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทอันนี้ที่จริงก็คือราชูประพฤติเดีย พอในการให้ทานจะเป็นการสงเคราะห์จะเป็นการอนุเคราะห์จะเป็นการบูชาก็ตามก็คือการปฏิบัติดีที่เราเห็นชัดเจนคือลดกิเลสประเภทโทสะลดกิเลสประเภทโลภะลดกิเลสประเภทโมหะลงไปไม่ว่าจะเป็นการสงเคราะห์เป็นการบูชาหรือว่าเป็นการอนุเคราะห์มันก็คือกันเพียงแต่ว่าคุณภาพของจิตเราจะมีความประนีตขนาดไหนมันก็มีอีกเรื่องหนึง่ง แล้วประเด็นต่อไปท่านก็บอกว่าชนพวกหนึ่งเมื่อของมีน้อยก็แบ่งให้ชนพวกหนึ่งมีของมากก็ไม่ให้คือแยกให้ดูสองสองประเภทนะคือเรานึกถึงถึงว่าคนที่ก็รว ย, รว ย, รวยมหาศาลมากๆากเราก็ไม่ค่อยได้ข่าวที่เขาทำบุญตัวอย่างเอาจิงโอจังนะฮะ หือบริจาคเป็นสาธารณกุศล ต, ต่างๆก็คงบริจาคนันแหละแต่ว่าแตาเทียบปริมาณของเครืกองโูคฆนะฮะสับสินมหาศาลเหลือเกนะินมันก็น่าจะทำได้มากกว่านั้นเพราะสังคมเราที่จริงยังเป็นสังคมที่อ่อนแอมากยังขาดแคลนอะไรต่ออะไรมากเหลือเกินโดยเฉพาะ ย, ยิ่งคือปัจจเจศ หรือบางคนมันมีไม่พอจริงๆส่วนพวกกลุ่มที่เรียกว่าคําว่าพอไม่มีนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าคนมีไม่พอจริงๆเลยมีคนคนเป็นนั่นมากก็เรียกว่าคงหลายล้านนะฮะเคยเคยพูดกันว่ามีถึงสิบเอ็ดล้านแต่ว่าตัวเลขตัวเนี้ยทุกวันก็ยังหาไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วความยากจนมันกระจายหรือไปกระจุกอยู่ที่ไหน แต่สรุปว่าก็มีมากฮะถ้าเราไปในสถานที่ต่างๆแม้ในกรุงเทพเนี่ยฮะยกตัวอย่างมาเดินรอบวัดบวรนะฮะเราก็จะเจอคนประเภทนี้แล้วเคยสังเกตที่วัดเวลามีคนมาเลี้ยงพระในเป็นงานใหญ่ๆเนี่ยพอพระฉันตวนจะเสร็จเนี่ยเด็กที่ถือ กินโตถือจานถือขันอะไร ต, รต่างๆเนี่ยมาขอแบง่งบางทีก็คนก็แบ่งให้บางทีคนก็ขับไล่นะเราก็รู้สึกว่าเออถึงค่าวจะทำบุญเลยมันน่าจะทำให้ทุกถึงก็เพิ่มอะไรขึ้นอีกหน่อยนะึผมก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่ว่าเพราะจะมีสักอย่างเนี้ มันก็ไปไม่ได้ละเห็นไหมเพราะตนันตีเพราะประมาทไปไม่ได้เพราะนั้นคนที่อยู่อย่างนี้ก็คือไม่ประมาทเพราะไม่ข้าหลักที่พระเจ้าทรงแสดงว่าอัปปมาโดอมตังปะดังความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายประมาโดมัจุโนปะดังความประมาทินทางเป็นเป็นทางแห่งความตายเพราะนัการการที่ชนพวกหนึ่งแม้จะมีน้อยก็ให้แบ่งให้ตามน้อย แต่จนพวกหนึ่งที่มีมากแต่ไม่ให้เลยแล้วในสุดทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็เป็นสมบัติของแผ่นดินเดิง ต, ตายก็ต้องทอดทิ้งสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ในโลกเราไปไม่ได้ติย่ตามเราไปได้ก็คือบุญกับบาปแต่ก็ไม่ควรอาบาบไม่มากควรจะสร้างบุญที่นำความสุขมาให้ ก็หมายความว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาททีนี้การทําบุญเนี่ยทายังไงว่าถึงแม้เทวดาจะพูดเรื่องทานนะครแต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้เน้นที่ฐานเน้นตั้งการทําดีทั้งปวงนั่นแหละอะไรก็ได้ไมันก็เป็นบุญเพราะว่าบุญนั้นก็คือสิ่งที่เพราะบุญนั้นก็คือสิ่ง ที่ทำหน้าที่ํำระาล้างกิเลสกิเลสจะช่อย่ังไงก็ตามลนะคือหมายความว่าเมื่อมันมีการลดละจางคลายลงไปในขณะใดในขณะนั้นก็เกิดบุญปัจจุบัยังมีอยู่ทุกขนทุกแห่งคล้ายๆกับที่โบราณท่านพูดถึงซับนี้ไม่ไกลนะ ถ้าเราเปลี่ยนเป็นตรงีว่าบุญนี้ไม่กลายใครปัญญาไวหาได้บนนานทุกแห่นแดนดินมีสิ้นทุกสถานผู้ใดใจครานก็บอกผ่านพบบุญพาะการคิดการทำการพูดถ้ายู่ในกระแสของสุจริตก็เป็นบุญนะแล้วก็บุญใหญ่กว่าให้ทานนะให้ทานบางเรื่องเดี๋ยวทำไปเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวคุณภาพของจิตต่าง ถ้าจิตเรามีความประนีตมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่เนี่ยปริมาณของบุญก็เพิ่มขึ้นเท่านั้นพระอาาก็บอกว่าทักษิณาที่ให้แต่ของน้อยนับเสมอด้วยพันคืออย่างที่เคยเล่าเรื่องคนที่ได้รับผลบุญในปัจจุบันในรูปของการบุญบันดาล น, นะฮะคือหมายความมาจาก จากคนงานกลายเป็นเศรษฐีจากยาจกกลายเป็นคนที่มีฐานะดีจากสามัญชนกลายเป็นเมษีของกษัตริย์อะไรนี่นนะเอรแล้วแต่เป็นคนที่มีฐานะไม่ร่ำรวยท้งนั้นเป็นการพลริกหน้ามือเป็นหลังมือแล้วก็ได้บุญกุศลคือเปลี่ยนแปลงชีวิตเรียกว่าเกือบจะสิ้นเชิงเนี่ย ในเพียงวันเดียวเจนจุเลกสาโดกก็จนนะฮะหรือว่านางนายสมนมาลาการก็จนหรือว่าบุญนะธาตุก็จนกระทตดหรือว่าธิดาของปราบที่แคนุเชนีที่ตัดผมตัวเองไปขายเพื่อเอา สตางมาซื้ออาหารถวายพระหมากัจริญนะคือพระอาหารทั้งหลายเจ็ดรูปแปดรูปนะฮะตัวนี้ก็บุญบันดาลมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในชีวิตของตนเองพระโ ต, ตจริงบอกว่านับเสมอด้วยพันประการต่อไปเทวรายอีกตนหนึ่งก็บอกว่าทานพวก พาลชนเมื่อให้ให้ได้ยากกุศลธรรมพวกภารชนเมื่อทํทาก็ทําได้ยากพวกอสัตวบุรุษย่อมไม่ทําตามธรรมของสัตว์บุรุษเพราะฉะนั้นการไปจากโลกนี้อันอันพวกอสัตว์บุรุษดําเนินตามได้ทำของสัตว์บุรุษนะฮะทำของสัตว์บุรุษ คือหมายความว่าคนชั่วจะดำเนินตามคนดีนี่แหมมันมันลากไม้ปลายไปนะฮะโบราณพูดเป็นรูปธรรมบอกว่าเหมือนกับเข็นโครงขึ้นภูเขาตัวนี้มันเป็นมาสอย่างหนึ่งที่จะตัดสินวินิจฉัยเรื่องความง่ายความยากของแต่และเรื่องอะไรก็ได้นะฮะคือเราเอาคนเอาเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นเกณฑ์ไม่ได้ ว่ามันยากหรือง่ายแต่ปัญหาว่าใครทำล่ะมันอยู่ที่คนทำว่าบทสรุปก็คือว่าความดีคนดีทาได้ง่ายแตคคค่ความชั่วคนดีทาได้ไม่ใา่ความความชั่วคนดีทาได้ยากในขณะเดียวกันตัวความชั่วนะ่คนชั่วก็ทาได้ง่ายแต่คนดีทำได้ยากเพียงแต่ว่าในที่นี้เทวดาท่านใชก้กำว่าผ่านกับอสัตบุรุษก็คือหมายความว่าคนคนไม่ดี คนไม่ดีมันรู้สึกหนักไอ้แล้เรื่องที่เขาจะทำเนี่ยคล้ายๆกับปัญหาสังคมที่เราเรียกร้องเชิญชวนกันอ้ อ, อนวอนขอร้องสารพัดและไม่รู้จะทำอย่งไรอ่ะเรื่องปัญหาเรื่องอารไปยามุกปัญหาเรื่องอัจฉ ก, กรรมเลเถิดไปจนถึงวางระเบิดวันที่สามสเ็ดธันวาในวางระเบิดทั้งแปดจุด เราก็นึกไปผมก็คิดยังไงทำไมจึงโหดร้ายทาไมจึงรุนแรงได้อยางงั้นเพราะใประการวางระเบิดอย่างนั้นเราไม่รู้ว่าใครจะเป็นโดนแล้วถ้าญาติพี่น้องเราไปโดนระเบิดข้าวหรือว่าอาจจะเป็นลูกเต้าเราไปโดนระเบิดข้าวนี่คิดยังไงเพราะว่าเป็นการวางโดย โดยไม่รู้ว่าเป้าหมายคืออะไรนอกจากจะเป็นการก่อกวนหรือจะฆ่าในค่าเขาเพราะอะไรก็ตอบไม่ได้แต่คนเหล่านีก้ก็ทำได้จะเป็นใครเราไม่รู้แต่ก็มีการทำแล้วก็แสดงว่ามีคนทำแน่แหละแล้วก็มีคนสังการอยู่เบื้องหลังลักษณะเนี่ยมันมีการนัดหมายกันนะฮะมีการนัดหมายกันที่ชัดเจนมาก แล้วก็วิธีการก็ทํานองเดียวกันซึ่งก็อาจจะมาจากที่เดียวกันแต่เป็นยังไงก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตํารวจแต่สรุปว่าต้องการตำรวจเนี่ยสัตว์บุตรหรือคนพานอย่างเงี้ยหรือแทนที่จะมองเห็นญาติพี่น้องเขาสุขสัรรหันษา ก, กันในเทศกาลขึ้นปีใหม่แต่ตัวเองก็มาป่วนเมืองเสแล้วก็เถื่อนแรงนะฮะ กระตือแรงคิดเป็นตัวเงินนี่เรียกว่าเป็นหมื่นหมื่ล้านไม่ใช่เรื่องธรรมดาพอท้าถามว่าสัตว์บุรุษจะทําไหมคนดีจะทำํำไหมเขาไม่ทําอ่ะไม่ต้องพูดทำเราคิดยังไม่คิดเลยคือสงสัยมันคิดได้ยังไงอะ่ะแต่ถ้ามาคนผ่านแล้วกลายเป็นเรื่องง่ายเลยยังนึกนะฮะว่าคนพวกนี้อายุจะไม่เคยมากกว่าไหน รู้สึกว่ามันอ่อนร้อยในวุฒิภาวะในระบบการคิดที่มีเหตุมีผลมันก็เหมือนกับคนปล่อยอยาบ้าไปในท้องตลาดเนี่ยแล้วถ้าลูกเราไปเสพข้าวทำยังไง่าตเราไปเสพข้าวทำยังไงมั้ก็เหมือนกันแหละกับวางระเบิดเนี่ยแต่ปัญหาสาคัญว่า คนเหล่านี้เป็นผ่านนะคิดอย่างนี้เป็นผ่านแรงมากเป็นอสัตว์บุรุษเขาจะทําแบบสัตว์บุรุษก็ทําได้ยากแต่สําหรับสัตว์บุรุษแล้วก็ทําง่ายประการเว้นพฤติกรรมในลักษณะ น, นี้ไม่ต้องคิดอะไรมากคือไม่ทําก็จบไม่ต้องคิดอะไรมากแต่คนที่ทําในใจเขาจะไม่สงบแม้ทุกวันยังคิดว่าใจยังไม่สงบ กวาระแวงมีตกังบนมีข่าวคราวต่างๆก็มาวีตกกลงบนกันแล้วก็เทวดาก็สรุปว่าเพราะฉะนั้นการไปจากโลกนี้ของพวกสัตว์บุรุษและพวกสัตว์บุรุษจึงต่างกันพวกอสัตว์บุรุษย่อมไปสู่นรกพวกสัตว์บุรุษย่อมไปผู้เป็นผู้ดําเนินไปสู่สวรรค์อันนี้เราจะลืมประสบการณ์ตรงนะฮะประสบการณ์ตรงที่เทวดาเห็นมาด้วยตาชิบของตัวเอง แล้วก็พะเห็นเทวะเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นด้วยตัวเองก็นำมาเล่าอันนี้ก็คือประเด็นที่เคยเล่าให้ฟังนะว่าถ้าเราจะตั้งคำถามมานะรกอยู่ที่ไหนสวรรค์อยู่ที่ไหนนี่เราก็ตอบไม่ได้เพราะในพระบา ล, ลีที่เป็นพุทธวจนะเนี่ยไม่ได้แสดงไว้เนื่องจากทรงสนทนาหรือว่าตอบคาถามกับคนที่เป็นพระหานหรือเป็นเทวดาหรือเป็นพรมเอง เลยไม่ต้องพูดเรื่องที่ตั้งตัวนี้เราจึงจำเป็นจะต้องมีตถาคตพระพทธาคือเชื่อในการสัจรู้ของพระพุทธเจ้าตรงจจยอมรับความจริงว่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าพูดสัจรู้ดีสัดรู้ชอบโดยรวมเองทรงแสดงววาอย่างนี้ถึงตัวนี้สอดรับกับเป็นพระพุทธภาษิตที่ทรงแสดงว่า ทมและอาธรรมให้ผลไม่เสมอกันอาธรรมย่อนําไปสู่ทุกขติแล้วก็ธรรมย่อนําไปสู่สุขติก็หมายความว่าที่จริงคํากล่าวของสัตว์บุรุษเนี่ยที่ไหนถ้าเป็นสัตว์บุรุษมันก็คือการนั่นแหละก็ยังมีวันก่อนอย่างย่งนึกติดใจอยู่นะฮะก็ที่จริงก็ปีที่แล้ววันจันทร์ที่ วันยันสุดท้ายของปี2549เนี่ยที่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งโทรมาคือไม่อยากให้เรียกธรรมะว่าเป็นธรรมชาติหมายเรียกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเราจะลืมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละแต่มันเป็นธรรมะธรรมะมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้า พุทธเจเป็นผู้คนพบแล้วก็นํามาเปิดเผยชี้แจงแสดงแก่โลกแล้วมันก็เป็นกฎของธรรมชาติทําดีได้ดีนะมันมีมันตั้งแต่โบราณตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วแหละ ว, วันพระพุทเจ้าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นมันเป็นกฎมันกฎที่มีอยู่ในธรรมชาติของมันหรือคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนะี่ยมันเป็นกฎของพระราษฎรเสียเนี่ยมันเป็นกฎ มีโดยธรรมชาติของมันหรือสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นห น, น้าตานี่มันก็เป็นเป็นธรรมชาติคือเราจะพูดเราเองไม่ได้หรอกถ้าเราพูดว่าคือคาสั่งสอนพุทธเจ้าก็แสดงว่าธรรมะไม่ได้ทั่วไปแก่โลกทั้งปวงคนชาติใดๆศาสนาใดๆเขาเรียกอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขา แต่ว่าสิ่งนั้นแหละพระพุทธศาสนาเรียกว่าธรรมะคนก็คนจะเป็นศาสนาอะไรก็ตามมันก็เจอสิ่งดีสิ่งไม่ดีแล้วก็สิ่งที่เป็นกลางๆด้วยกันคิดดีคิดไม่ดีคิดกลางๆด้วยกันเพราะเราจะผูกขาดว่าต้องเป็นคําสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นมันก็ไม่ได้เพียงแต่ว่าบางระดับเช่นเรื่องนิพพานอย่างเงี้ยเรื่องวิปัสสนาญาณ เ, เรื่อง เ, ออเรื่องของพระพุทธเจ้า พระที่ก็สอนมาก่อนมันถึงอรูปฌานนะฮะถึงเนียว่าสัญญาเนีนสัญญาจตนาฌานแล้วก็เนียวสัญญาเนีนสัญญาจตนาพบด้วยเพราะโยผูกขาดอย่างนั้นไม่ได้คําสอนพระเจ้าจะไม่เป็นประโยชน์แก่โลกเป็นประโยชน์แก่คนกระจุกเนียวเท่านั้นเองมันไม่ได้หรอก เพราะคนในศาสนาใดๆที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันก็ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ท่านเหล่านั้นพระาศาสดาทั้งหลายก็มีสิทธิจะรู้ตรงกันในบางระดับได้ไม่ได้แปลกอะไรเทวดาตนต่อไปได้กล่าวว่าชนทั้งหลายเหล่าใดเมื่อของมีน้อยแบ่งให้นะไม่ใช่คือองค์ต่อไปเนี่ย เดิมดัชนีนแลเทวดาอื่นอีกได้กราบทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคคำของใครที่เป็นสุภาษิตมากกว่ากันปุถุเจ้ารับสั่งนะรับสั่งว่าคำของท่านทั้งหมดเป็นสุภาษิตโดยปริยายคือในยะหนึ่งในยะหนึ่ง ก็แต่พวกท่านจงฟังคำของเราบ้างบุคคลใดพึงประพฤติ ธ, ธรรมประพฤติสะอาดเป็นผู้เลี้ยงภริยาและเมื่อของมีน้อยก็ให้ได้เมื่อบุรุษแสนหนึ่งบูชาภิกษุพันหนึ่งหรือบริจาคทรัพย์พันกหาปณะนะ การบูชาของบุคคลเหล่านั้นย่อมไม่ถึงส่วนร้อยของบุคคลอย่างนั้นเป็นการยกระดับขึ้นไปอีกหมายความมาสมมติว่าคนคนหนึ่งเนี่ยใช้เงินหนึ่งแสนกหาปณะนะแล้วก็ปรุงอาหารเลี้ยงดูพระพันรูปหรือบริจาคทรัพย์ผ่นกหาปณะนะ การเลี้ยงดูอย่างเงี้ยมันก็สู้คนที่ปฏิบัติธรรมไม่ได้อางนี้เราก็ได้ยินพระบางทีท่านพูดอะไรเกินไปก็นในวันที่แปดเนี่ยคือจริงก็ประมาณสองสามปีมาแล้วกรมปรชาสัมพันธ์เขานิ ม, มนต์พระมาประชุมร่วมกับสนักพุทธนักเผยแผ่ทางสื่อวิทยุโทรทัศน์เนี่ย แล้วก็เพื่อจะดาเนินงานต่อไปให้มันต่อเนื่องที่ประชุมก็เลือกอาตมาให้เป็นประธานมาบอกก่รับได้แต่ประธานชั่วคราวนะเราก็ไม่อยากจะไปก็ อ, อยากให้คนรุ่นนุ่มเราทากันแต่ทีนี้เรียกประชุมไม่ได้สักทีเด ผู้หน่วยการสํานักพูดผ่านไปหนึ่งคนสองคนสามคนนะฮนะยังเรียกไม่ได้ก็วันที่แปดนี่เรียกได้วจวมากันพอสมควรวที่ประชุมก็ขอร้องให้อัตมาเป็นคนประถมนิเทศหนึ่งชั่วโมงจากสี่โมงเช้าถึงถึงห้าโมงน้าโมงเช้า นนั้นก็ทางราชการจะมีการปรตาตกถามีการอภิปรายเราก็ตั้งใจจะพูดในเรื่องหล่เนี้ยก็พูดเรื่องทบทวนเรื่องบางเรื่องเนี่ยอย่าอย่าพูดเน่มันเกินเกินที่พรูพุทธเจ้าทงแสดงพูถึงให้ทานมากได้บุญมากอย่างเงี้ยมันพูดเกินไปพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้น ครูเจ้าสอนเรื่องการทำบุญคือการชำระล้างกิเลสได้มากเท่าไหร่ในบุญได้มากเท่านั้นตัวนี้ทรงยกแสนกหาปหนานะฮะแต่เราเทียบเงินปัจจุบันในแสนขาหาปหนานไม่รู้เท่าไรก็มหาศาลทีเดียวแต่มันก็สู้คนที่ประพฤติธรรมประพฤติสารแล้วก็ทำหน้าที่คือพอดีเป็นเทพบุตรเมื่กล่าวนะ หน้าที่เลี้ยงพัญญาที่ดีเพราะจริงภริยาหรือพัญญาเนี่ยแปลว่าผู้ที่สามีพึงเลี้ยงดูแต่สามีก็แปลว่าผู้เป็นใหญ่จะทรงสอนรูปหน้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อกันแต่ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือประพฤติสะอาดหมายความยังไงสะอาด เ, เป็นการพูดระดับศีล น, นะฮะกายสะอาดวาจาสะอาด มันก็เกิดมาจากใจที่สะาจากใจที่สงบ น, นะฮะแล้วก็ใจที่สว่างพอสมควรมีปัญญากำกับความคิดจิตใจของตัวเองได้พอสมควรถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ดีกว่าการให้ทานเห็นไหมว่าเราอย่าไปยุ่มยิ้มเรื่องให้ทานมากเกินไปให้ได้ก็ให้นะไม่ให้ก็ประพฤติธรรม ประพฤติธรรมประพฤติสุจริตนี่แหละยาที่ทรงแสดงแก่พระเจ้าสุโทโธทนะตอนสเสด็จ ก, กรุงราชคฤห์ครั้งแรกนะฮะวันที่สองเราสั่งแสดงว่าบุคคลไม่พึงประมาทในภารกิจที่จะต้องปฏิบัติพึงประพฤติธรรมให้เป็นสุจริตอย่าประพฤติธรรมให้เป็นทุจริต เราทาที่ประพฤติดีแล้วเนี่ยจะนำความสุขมาให้ทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นาะญ่าเราเข้าใจเรื่องธรรมะพระศาสนาพุทธไม่ได้เน้นที่ทานแต่เน้นที่การเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมจากลบเป็นบวกจากบวกก็บวกยิ่งขึ้นไปแล้วตรงเนี้ยมันเป็นผลเป็นอนุสงเป็นบุญเป็นบารมี ที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เรามีความสุขในชาติปัจจุบันชาติต่อไปตลอดถึงพบชาติต่อๆไปท่าฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามไพ่บูรณาธิการมจ้งมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี